เรื่องอะไรที่ยังตกค้างที่ยังไม่ได้สรุปประเด็น ต, ตอนตอนที่ไปคุยกันช่วงบ่ายช่วงบ่ายคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องพรหมญาณเนาะเมตตาเข้าใจชัดขึ้นไหมเข้าใจคําว่าเมตตาชัดขึ้นไหมลองเล่าอีกฟังหน่อยดิเป็นยังไงเมตตาไงเมตตาเป็นไงเมตาหน้าเศร้าๆบุหยิบไปวันๆไม่ใช่นะเออเมตเมตานี่จเจริญง่ายหรือจเจริญยากง่ายหรือยาก รู้ได้ยังไงว่าง่ายเอออาจารย์เขาบอกว่าไงบ้างอะวิธีสอนเรื่องเมตตาตอนที่ออกไปกลุ่มเยอะๆเนี่ยครูอาจารย์เขาบากเยอะไรนะรอยเนยถ้าเขายุ่มากกว่าเราจะคิดยังไง อ, อ๋อให้คิดว่าทุกคนเป็นลูกถ้าเขายุ่มากกว่าเราจะคิดยังไงคิดว่าเป็นพ่อใช่ไหมเกิดถ้ามีความคิดออกมาว่าถ้าเรามีลูกไม่น่าจะดื้อขนาดนี้ มีเงื่อนไขเยอะเลยทงเนี้ยนะเงื่อนไขเยอะอก็ขอมทนากับพวกเรานะตั้งใจที่จะมาฝึกหัดพัฒนาตนเองเนี่ยนะโดยเฉพาะในกลุ่มของการที่จะเข้าใจในเรื่องของพรมวิหารธรรมคือ่ลุ่มในลักษณะของเมตตาเนี่ยถ้าถามว่าสภาพของเมตตาถ้าเราจะคิดในเชิงลึกในเชิงละเอียดเนี่ยมันก็คิดยากเหมือนกันนะน้อง ยกตัวอย่างเช่นว่าตัวสภาพของเมตตาเนี่ยต้องไม่ปฏทุสลายความคิดที่ไม่ปฏทุสลายก็คือความคิดที่จะไม่โกรธที่จะไม่อาฆาตนี่แหละเช่นลักษณะของเมตตานี่นีคิดถึงสีผิวเขาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปทุสลายสีผิวเขาไม่โกรธคิดถึงเสียงบางคนมันบางคนไม่โกรธไม่โกรธหน้าตานะ สั ญ, ญลักษณ์สีนะจะไปโกรธเสียงถ้าได้ยินเสียงที่ไรไม่ทนไม่ได้เลยคนคนนี้ยเสียงแค่นั้นโอ้โหฟังแค่นั้นมันทนแทบไม่ได้เลยใช่ไหมสรุปก็คือไปโกรธผิวปูพรุบลางหน้าตาเนี่ยสองไปโกรธเสียงบางคนก็โกรธกลิ่นได้นะไอคนนี้เดินมาใกล้ๆมากลิ่นโชยก็จมูกที่ไรโอ้โหมันทําไมไม่รู้ไม่รักษาร่างกายเลยคนคนนี้ทําไมกลิ่นอย่างงี้ไม่ชอบใจเลยอ มันไม่เหมือนกลิ่นน้ำหอมที่เราเคยโกรธไหมโกรธกลิ่นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโกรธรสถ้าคนคนนี้ปรุงอาหารเข้ามาทีไรแล้วโอ้โห ไ, ไม่ไม่ไม่ชอบใจลกลุ่มก็โกรธสัมผัสถ้าเขามาจับมาทำอะไรไปเสร็จไหมพูดเหมือนเพื่อนบางคนเนี่ยพูดไม่พูดเปล่าชอบมือมาแตะ แล้วผู้ชายบางคนเนี่ยเจ้ามือมาแต่โกรธนะโดยนี่พูดไม่พูดเปล่ามือถึงด้วยโกรธเคยเป็นไหมล่ะบางทีก็นั่นแหละโกรธทุกอย่างความเป็นคนคนนี้แหละเดินก็โกรธนั่งก็โกรธนอนก็โกรธอากับปริยายิ้มหัวแรงดังน้าโกรธไปหมดเลยอันนี้สรุปเราโกรธแบบเมาสรวมเราเป็นกลุ่มไหนเราเลาจะโกรธคนก็โกรธกลุ่มไหนโกรธสีผิวโกรธเสียงโกรธกลิ่น โกรธเรื่องอาหารที่เขาทําอาหารทีไรให้มาเนี่ยหรือไปรับประทานอาหารด้วยกันทีไรกับคนคนี้หรือว่าไปเห็นหน้าไปกินอาหารกับคนนี้ได้โกรธเนี่ยนะหรือโกรธสัมผัสเวลาเขามาเกี่ยวข้องมาจับมาถูกเนื้อต้องตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็โกรธความเป็นคนคนนี้ทั้งหมดที่บัญญัติเรียกชื่อก็โกรธเพียงได้ยินชื่อก็โกรธนะบางคนเนี่ยเมื่อสักครู่อยู่ข้างล่างก็ยังบอก บอกสามัเนนน้อยถามเนนอยากเปลี่ยนชื่อไหมเขาเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนคำว่าเทวทั์ได้ไหมเขาโคตรบอกไม่เอาแล้วว่าเทวทัตแล้วไม่มีใครตั้งชื่อนะเทวทัตอันนึทั้งทั้งที่ชื่อก็ดีด้วยใช่ไหเทวะก็คือเทวดาใช่ไหมทัตตาก็แปลว่าให้เออเทวทั์ก็คือเทวดาให้มา <laughs> แต่ไม่มีใครตั้งชื่อเลยกล้าตั้งไหมกล้าตั้งชื่อลูกชายไหม เพราะอะไรฮะบาปมากนี่ยทีนั้นโทสะเนี่ยเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปด้วยการปทุสลายคิดโกรธใช่ไหมถ้าโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นสีผิวเขาก็โกรธเห็นเสียงได้ยินเสียงเขาก็โกรธได้กลิ่นเขาก็โกรธได้สัมผัสรสอาหารที่เขาหยิบยื่นให้หรือไป กินอาหารไปอะไรต่างๆเราเนี้ยนะก็โกรธสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวนิดๆหน่อยๆก็โกรธแล้วก็นั่นแหละเขายืนก็โกรธเขานั่งก็โกรธเขานอนก็โกรธเขามีปฏิกิริยาหัวเราะก็น่าโกรธคนๆนี้หัวเราะน่าเกลียดจริงๆนะียวันที่หัวเราะออกมาเนี่ยเขายิ้มมาเนี่ยปล่อยฟันออกมาอย่างนี้น่าเกลียดมากหรือปฏิกิริยาใดๆที่เขาแสดงออกทั้งหมดนะ่นโกรธลักษณะนี้คือโทสะ แต่ถ้าอาโทสากเกิดขึ้นก็กำจัดอะไรกำจัดความโกรธหรือเมตตาเวลาเกิดขึ้นเขามีหน้าที่กำจัดอะไรกำจัดความโกรธกำจัดความพยาบาทกำจัดความอาฆาตสังเกตดูว่าเออมันเกิดขึ้นในใจเราจริงไหมสภาพความรู้สึกแบบนี้นะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเบรเซ็จก็กำจัดได้จริงๆด้วยทีนี้กำจัดความโกรธกำจัดความไม่พอใจกำจัดบอกว่าเออไปดูสีผิวเขาเราก็ไม่โกรธ ฟังเสียงเขาก็ไม่โกรธกลิ่นก็ไม่โกรธรสก็ไม่โกรธโภธภาเย็นร้อนของเขาที่มาถูกเนื้อต้องตัวใดๆเดินชนกันนี้ๆีๆ่หน่อยๆก็ไม่โกรธแล้วก็เขาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะมีปฏิกิริยาลงไปนอนดิ้นชักยังไงก็แล้วแต่นะคนบางคนให้สังเกตดูไมเขาเขาเขามีปฏิกิริยาหน้าโกรธนะ อ, อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเขาลงไปนอนดิ้น ท่าเต้นทุกวันนี่ไอ้บางทีเขาเต้นกันประหลาดประหลาดเนีคนที่ของว่เกียดรับไม่ได้เลยว่าเออบางคนรับไม่ได้เลยเรู้ไหมตัดผมบางคนก็ตัดจนอย่างมันนกหัวขวานก็เห็นไหมบอกโอ้โหรับไม่ได้เลยไม่ตัดผมยอย่างนี้ได้มาไงโกรธนี้เคยเป็นไหมล่ะตอนนั้นก็มียอมยอมหมอคนหนึ่งเขามานั่งคุยมาเขาบอกว่า เขาไม่ชอบเลยไปที่ไหนรู้สึกว่าเขาจะเด่นไม่ว่าจะวงการอะไรต่างๆนีมองเข้าไปเนี่ยก็จะบอกว่าว่าว่าเธอนี่เด่นเด่นกว่าคนอื่นเรื่องต่างๆน้ำมาก็บอกว่าอ๋อถ้าไม่ต้องการเด่นก็ก็แต่งผแต่งแต่งทําผมใหม่สิอย่าไปทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ทุกคนก็ <laughs> เขาก็ต้องสนใจอยู่นะเธอก็บอกทําอย่างนี้มันคล่องตัวมันเป็นความสบายใจที่ต้องทํา ก็อบอกนั่นก็ต้องยอมรับถ้ามันจะเด็ดอาจารย์อย่างเราลองไปแต่งตัวในโรงเรียนออกลับไปเวสต็เกตเขไปย้อมให้มันเป็นสีอีกสีนึงทำเหมือนนกหัวขวานมาสอนหนังสือเด่นไหมทั้งโรงเรียนคนมองเราหมดคนมองกล้าทำไหมล่ะเพราะอะไรพอพอพอมา พอมอวันแรกโอ้โหนักเรียนวิ่งจับแขนกันเน่สุดเยอะผ่อนเลยอาจารย์ของเราใช่กล้าไหมล่ะกล้าไหกล้าลแต่ชื่อะไร ค, คนมองคนมองก็จะหมันไส่มากเขาโกรธเลยนะเขาปทดสไลด้วยทีเขาเห็นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าจิตของบุคคลเนี่ยนะถ้าขจัดความโกรธเหล่านี้ได้ก็สดใสปราศจากการขุนมัวเหมือนอะไรอะ่ะ เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ น, นั้นสาพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ยนะนั้นเวลาคนที่เกิดความสภาพใจที่เป็นไปกับเมตตาขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเห็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตนกําลังประสบหรือในสัตว์ทั้งหลายที่ตนได้พบเห็นเนี่ยสภาพของเมตตาก็เกิดขึ้นก็คือความไม่ปองร้ายก็เกิดมีความไม่โกรธให้อภัย ให้อภัยเขาไม่เบียดเบียนผู้อื่นงั้นไอ้สภาพต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เมตตานี่แหละฉะนันเมตตาจึงเป็นมูลรากของความดีทั้งหมดเมตตาเนี่ยความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิต จ, จับใจนี่นะจึงเป็นมูลรากของกุศลทั้งหมดถ้าไม่มีสภาพจิตใจที่เป็นเยน็นนะสภาพจิตใจที่เหมือนพระจันร์วันเพ็ญเกิดขึ้นในใจจริงๆนะ เราจะไม่สามารถเอาความดีมาประชุมไว้ในในในใจได้เลยถ้าใครปรารถนาอยากก็เออเอาละเราจะตั้งห้องประชุมความดีนะเราจะทําห้องประชุมความดีแล้วจะลืมนะความดีถ้าไม่มีห้องประชุมก็จะมารวมกันอยู่ได้ไหมไม่ได้เลยอนะ่ะฉะนั้นสภาพใจเนี่ยใจที่ไม่โกรธนี่นะใจที่เป็นไปกับเมตตามีความรากักความปรารถนาดีเนี่ยประดุดังห้องประชุมความดีทั้งหมด ความดีทุกชนิดน่ะจะไหลมากองกันอยู่ในสภาพใจที่เป็นไปกับเมตตานี้แหละเป็นไปกับความไม่โกรธนีああ่แหละไม่ว่าจะเป็นกุศลชั้นทานนีไม่ว่าจะเป็นกุศลชั้นศีลไม่ว่าจะเป็นกุศลชั้นสมาธิไม่ว่าจะเป็นกุศลชั้นปัญญาจะไหลมารวมกันที่สภาพใจที่ไม่โกรธเข้าใจยังฉะนั้นถ้าทานกุศลในที่เราเดินไม่ได้เพราะโดยมากใจมันไม่เป็นไปกับ เมตตาจริงๆถ้าใจที่เป็นไปกับเมตตาจริงๆนะมันจะขับจากความโกรธกาจัดแม้กระทั่งความโลภด้วยเพราะว่าเป็นที่ประชุมของกุศลธรรม ท, ทั้งหมดเป็นมูลรากของกุศลธรรม ท, ทั้งหมดแล้วทีนี้ความไม่โกรธเนี่ยนะดูลักษณะมีความไม่ดุร้ายเนะี่ยความไม่ดุร้ายเนะี่ยหรือมีความไม่แค้นเคืองนะ่ะไม่ดุร้ายกับไม่แค้นเคืองลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้อถ้าดุร้ายก็คืออะไร เห็นสีผิวของเขาก็หงดหงิดนี่เขาเรียกดูร้ายเห็นหน้าตาคนนี้ทีไรแล้วงุดเงียบทุกทีดูหน้าตาเศร้าซ้อยเหงาหงอยดูแล้วไม่กระฉับกระเฉงไม่กระตือรือร้นอะไรเลยเนี่ยดูตาตาเศร้าหงอยหงอยยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็โกรธนี่ก็คเห็นสีผิวเราโกรธยิ่งพูดออกมาได้แล้วโอ้โหรับไม่ได้เลยนี่พูดออกมารับไม่ได้เลย กินด้วยแล้วมานั่งใกล้ๆบอกอืหรับไม่ได้เลยกินยิ่งกินเหล้ามาด้วยนะถามเวลามีคนกินเหล้ามาแล้วมานั่งใกล้ๆเธอโกรธไม่โกรธอ้าวไม่ได้กินเหล้าอย่างเดียวมานั่งใกล้ๆแล้วอ้วกใส่หน้าแล้วด้วยโกรธไม่โกรธโโหรับไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมลักษณะของโทสารสนี่มันมันมันมีนมีโยอมอยู่ท่านหนึน่งเออทูอยู่คนไม่ใช่คนที่สองเขาบกก็รับสา ม, มีไม่ได้ ไปอยู่ด้วยกันบอกว่าท่านฉันรับไม่ได้จริงๆถามทําไมนอนกรนบอกโ อ, โอ้เขาเครียดมากเลยเขานอนไม่หลับเลยเด็กยิ่งมก็แค่กรนก็ไมเรื่องปกติโอ้ท่านท่านไม่รู้ว่ากรนไม่ใช่ดังธรรมดาเนะดังมากเลยขณาดุ่งหร่าขนาดหั ด, ดลงมาชั้นสองเลยยังยิงได้ยินเสียงอยู่เลยก็ว่าแล้วถ้าเป็นท่านท่านจะรับได้ไหมเอาตายแล้วยอนมาปัญหาใส่ฟ้า เออแปลกไหมเออมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องลําบากมากไงเพราะว่าเจอหน้ากันเนี่ยเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าฉันนอนกลบ น, น่ะเธอรับฉันได้ไหมกลบนกันเลยเนี่ยอันไหนน่อะไรน่าเกลียดกว่ากันฮะอันไหนหน่าเกลียดกว่ากันอันไหนโธสะเกิดได้เร็วมากกว่ากันกลนอีกคนหนึ่งกลนอีกคนนึ่งเลยเนี่ยอันไหนอันไหนหน่าเกลียดฮะ มีมียอมมียอมคู่หนึ่งเขาบอกว่าสามีเขาก็กรนแต่ว่าเขาอยู่ได้ถามทำไมเพราะฉันก็กรนเหมือนกันมันโง่ก็แต่เราจะชิงจังหวะว่าใครจะหลับก่อนอนี้นนโอ้โทรศัพท์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือต้องยอมรับเป็นนะ อามาเนี่ยเวลามีพระมีเนนไปอยู่ด้วยเนี่ยบางทีเราก็ต้องพักห้องเดียวกันใช่ไหมอามาจะเจอทุกทุกระบบอามาตึงฝึกไว้หมดเลยประเภทที่ถ้าเป็นเนนเล็กๆเนี่ยจะนอนติ้นก็เห็นมาแล้วนอนดิ้นนอนเอาหัวลงข้างล่างเอาเท้าขึ้นข้างบนพาดหน้าแล้วบ้างอะไรก็มีทั้งทีเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องเออเราเราเข้าใจเขานต่ว่าก็เด็กนะที่เด็กเล็กๆเนี่ยต้องยอมแรับคนนึงไอ้ที่ลำเอารามาก็เจอเนี่ย ละเมอพูดอยู่นั่นแหละอ้าวระหว่างกลนด้วยละเมอด้วยอันไหนดีกว่ามียอมผู้ชายคนหนึ่งคือก็มากันทั้งคู่ที่แรกภรยามาหาก่อนบอกท่านอาจารย์หนูถามทาไมหนูนี่เครียดมากคือโทสะเกิดก็บอกฝักฝึกให้เจริญเมตตาสิจะได้ยอมรับ แล้วก็บอกให้ยอมรับได้โดยปัญญาพระท่านอาจารย์ฟังก่อนว่าถ้านท่านอาจารย์รับไหวไหมาถามเป็นไงเพราะบอกว่าพอดึกดึกเนี่ยโยมผู้ชายเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาแล้วทำลุกขึ้นมาเนี่ยพอลุกขึ้นมาเบสเด็จก็บางทีเข้าไปในครัวไอก้กะทะที่โยมตั้งเขาไว้เนี่ยมันเป็นกะทะเนี่ยไอ้เจ้านี้เขาก็ละเมอเขานึกว่าเป็นห้องน้ำเขาก็ยืนถ่ายปัสสาวะใส่กะทะ ไอ้กะทาเนี่ยทาที่ตั้งไว้ในในเอายมทำไมไม่เก็บให้ดีๆอ่อพอเก็บ เ, เรเสร็จก็บอกงั้นมีบางวันก็ลุกขึ้นมาลุกมาเสร็จก็เปิดตู้เย็นแล้วก็นั่นแหะปัสาสาวะใส่ตู้เย็นว่าะสำคัญว่าเป็นห้องน้ำก็ปัสาสาวะใส่ตู้เย็นถามว่าถ้าท่านเป็นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะรับได้ไหแต่นี้ก็โยมผู้ชายก็มาก็ถามว่าเจ้า ผมก็ไม่รู้ตัวจริงๆผมทำอะไรผมก็เน้นว่าผมเข้าห้องน้ำก็ ค, คือเหมือนละเมอไงเหมือนลุกขึ้นไปเหมือนเข้าห้องน้ำยอมถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะแผ่เมตตาได้ไหมเราจะทําให้ใจเออเข้าไปจะทําให้ใจเราไม่โกรธบุคคลเหล่านี้ได้ไหมยอมรับได้ด้วยปัญญาว่าโอ้ได้ไม่ได้จริงๆของแบบนี้จริงๆมันไม่ต่างนะเหมือนคนตอนแก่โยม คนแก่เนี่ยนะเวลานอนนอนไปเราก็ทั้งถ่ายอุจจาระออกมาใช่ไหมที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยสามีภรรยาก็ดีลูกๆทั้งหลายเนี่ยถ้าเราบอกว่าเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยโยมทําไมลูกถ่ายไปอะไรไปทำไมโยมรับได้หรอทำไมโยมไม่โกรธใช่ไหม เ, เด็กๆนี่ถ่ายไปทั่วนะแล้วก็วิ่งไปทั่วด้วยใช่ใช่ไหมใช่ สารพัดเลยเขาทั้งถ่ายทั้งอะไรสารพัดหยิบบางทีถ่ายเสร็จแล้หยิบอุจจาระมาใส่ปากตัวเองกินก็มีเนี่ยทุกคนก็เคยหยิบมากินกันทั้งนั้นตอนเด็ ก, เดกๆเคยไม่เคยถ้าบอกกว่าจะโตขึ้นมาโอ้โหก็คว้าอุจจาระตัวเองมากินทั้งนั้นเลยเอยเอแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้เนะี่ยแต่สมัยก่อนนี๋วยวมาพ่อแม่ปล่อยทิ้งเขาไว้ ลักษณะความไม่ดูร้ายความไม่แค้นเคืองเนี่ยมันคือลักษณะของความไม่โกรธเราจะเห็นอารมณ์สถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่แม้ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นก็ไม่โกรธก็คือสภาพที่ความไม่โกรธนี่ยนยความไม่ดูร้ายก็คือไม่มีความเกรียวกราดไม่มีความแค้นเคืองเปรียบเสมือนนะ่ะเม็ดน่ะที่คอยอนุบาลช่วยเหลือคือมมตดคอยช่วยเหลือเม็ดน่ะเวลาเกิดแต่นว่า เออมิรจะเป็นอะไรก็คอยช่วยคอยดูแลอย่างนั้นเลยจิตใจของคนที่มีเมตตาเนี่ยมองทุกคนเป็นมิรมองสัตว์ทั้งหลายแม้ว่าเป็นคนหดูร้ายยังไงก็มองว่าเป็นมิรไม่เคยมองคนอื่นว่าเป็นศัตรูเลยมองนักเรียนทุกคนจะเป็นมิจหมดเลยนักเรียนดื้อก็คือมิรเนี่ยมองเป็นมิรเนี่ยมองป็นเป็นมิร ท, ที่รักใครจิตใจก็น้อมในการที่จะ รักปรารถนาดีแล้วก็เอื้อทอนเนี่ยประดุดดังมองบุตรตนเองยังไม่เลิกประดุดดังเห็นบุตรตนเองอย่างนั้นแหละเพราะนั้นเมตตาเนี่ยเกิดในภายในจิตของใครก็จะทําให้บุคคลนั้นเน่ยมีความรู้สึกไม่เคร่งเครียดไม่ดุร้ายไม่มีความผูกโกรธแต่ใดๆมีแต่ความคิดที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนมารดาที่เอ็นดูบุตรของตนนแล้วก็ดูลักษณะว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเวลาเราอยู่กับ อยู่กับนักเรียนก็ดีแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับบคุคคลทั่วไปเนี่ยเออมันเหมือนกับใจเราประดุดดังแม่ยอมีลูกไหมมีไห ม, มยามีลูกไหมรักลูกไหมแล้วมองคนอื่นเน่ะเอ็นดูคนอื่นเหมือนเอ็นดูลูกตัวเองไหมเพราะอะไรเพราะใจไม่มีเมตตาเนี่ยรักไหนที่เรื่อใจขาดเมตตาถามว่าใจที่ไม่มีเมตาก็กลายเป็นใจที่เป็นโทสะ เห็นไหมเ้าได้ประโยชน์ไหมโทรศัท์เกิดขึ้นในใจได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยก็พะทศร้ายตัวเองทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าเวลาโทรเอ่อเออมตตาเกิดขึ้นเขาก็กําจัดความมาฆาตแล้วก็กําจัดความเร่าร้อนในใจแล้วก็ดูที่ตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเร่าร้อนไหม พกไหมเวลาปวดเมื่อยเนี่ยเครียดไหมเครียดไหมโอ้เมื่อยเลยนะเนี่ยเมื่อยเลยเนะี่ยโกรธไหมเครียดไหมเครียดไม่เครียดถ้าเครียดนิดๆก็แล้วแต่นั่นแหละก็เรียกโทสะมันเกิดถามว่าโทสะมาทุสร้ายใครมาทสศร้ายตัวเองถามว่าถ้าคนฉลาดเขาจะมาทุศรลายตัวเองไหม เขาจะไม่ประทุสลายตัวเองนะฉะนั้นสภาพที่โทสะมันจะเกิดขึ้นมันประทุสลายอะไรใจก็เดือดร้อนใจก็เดือดร้อนหัวใจเต้นแรงขึ้นไหมเต้นแรงขึ้นร่างกายเริ่มเปลี่ยนไหมสีผิวเริ่มเปลี่ยนไหมจากคนหน้าตาข า, ขาวๆก็กลายไปเริ่มดําเขาถึงอุบมาเหมือนอะไรดีเนี่ยเหมือนไฟไหมไม่ป่าเหมือนฟ้าผ่าตรงนี้เมตตาเกิดขึ้นก็ขจัดความมาฆ่ากําจัดความไยาบาท การจองเวรการให้สงบระงับได้และมีแต่การให้อภัยแก่คนที่ทำผิดต่อเราโดยไม่คิดโดยไม่คิดติดใจในเรื่องราวนั้นนั้นมีคนด่าอ่ะลองนึกดูทีทุกคนต้องเคยถูกด่ามาถูกตำหนิมาใช่ไหมแล้วยังมีฝังใจอยู่ไหมเรายังมีความฝังใจที่เราคิดไม่พอใจใครอยู่ไหมที่นั่งที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีไหม ลองนึกๆึกดูทียังมีอยู่ไหมที่ยังติดค้างใจอยู่มีไม่มีมีไหมมีใช่ไหมอาใครมียกมือขึ้นยังไว่ติดค้างอย่ายนี้ติดค้างอยู่ย อ, ยอ๋อมีแค่นี้เองเหรือนอก น, นั้นไม่มีติดค้างอะไรใครเลยเลออยอายกใหม่ที่มีไหมที่ยังติดค้างจริงๆเลยในเราต้องการทัแล้วจะบอกวิธียังไงอะมีติดค้างใครบ้างไหมไม่ใช่ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย และก็ยังฝังใจอยู่ตอนเนี้ยก็ยังไม่พอใจอยู่ความไม่พอใจก็ยังอยู่เห็นที่ไรก็สึกไม่ชอบใจคิดถึงที่ไรก็ไม่ชอบใจมีไม่มียังมีอยู่ใช่ไม่มบางคนบอกว่าเวลากูบาอาจารย์ก็บอกให้เจริญเมตตานะพยายามคิดมีความรักความปรารถนาดีความเมืตอทอนแบบจับจิตจับใจใเกิดขึ้นในใจจริงๆนะก็มาถามว่าท่านอาจารย์ท่านครับถามทําไม เออผมขอเว้นทุกคนได้ไหมบอกคนอื่นผมแพ่ไปได้คล่องแต่อ้คนนี้มันมันต้องขอเว้นบอกนึกถึงทีไรมันรู้สึกโอ้โหมันช้ำใจจริงมันทำผมเหลือเกินจะให้ผมให้อภัยมันได้ยังไงเคยเป็นแบบนี้ไหมลักษณะอย่างนี้แปลว่าอะไรเมตตาไม่ได้เกิดจริงเนาะ คือถ้าเมตตาเกิดจริงๆก็คือให้อาภัยแก่นคนที่ทำผิดต่อเราไม่คิดติดใจในเรื่องราวนั้นนั้นเหมือนไม้จันหอมเวลาสูดดมแล้วชื่นใจอา้าวเคยดมไม้จันหอมกันหรือยังฮะมันหอมไม้จันหอมนี่หอมจริงๆไม่เคยดมดีๆทาไม่เคยใช่ไหมอา้าวน้ําหอมที่เราชอบอ่ะดมแล้วมันชื่นใจ ฉะนั้นเวลาสภาพเมตตาเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแหละในใจอะ่ะแม้คนที่ดุคนที่ดา่าอะไรต่างสภาพจิตใจก็ยังชื่นใจอย่างนั้นเลยไม่โกรธเขาเลยอะ่ะไปไปมาเดี๋ยวก็เกิดไปถามบอกว่าแล้วตอนนี้เนรลดทำได้ยังถ้าอย่างเนรถจะมีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยโกรธใครใชมะมยเรามองหน้าก็รู้ชมะมาแต่อย่าให้โกรธนะนน่ะ บางทีเขากระบวนการก็คือจะฝึกนะทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าถ้าคนที่ปกติโดยทั่วๆไปที่เขาไม่มาปทิสายเราการเจริญการน้อมใจที่จะให้คิดเมตตาคนๆนั้นรู้สึกจะทำไม่ยากใช่ไหมแต่ถ้าคนๆ น, นั้นมาปทิสายเราชอบกินคาเราว่าเราในทางที่เสี ย, ส ย, ห, ายหายตลอด เช่นเราสอนหนังสือก็แอบไปบอกผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเนี่ยสอนหนังสือไม่ดีชอบพาเด็กออกนอกลู่นอกทางไปเลยแล้วอีกอย่างห น, นึ่งนะแทนยังเที่ยวทำให้เด็กเกลียดผู้บริหารสมมุิเงี้ยเนี่ยโอโ้โหโดนใส่เราก็โดนตำหนี่อย่างนั้นโกรธไหมโกรธไม่โกรธนี้ต่อไปวางใจใหม่ ให้พิจารณาอย่างนี้บอกว่าให้ตั้งใจไว้ก่อนนะทุกวันนะก่อนจะออกจากบ้านนะวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดไม่ว่าจะเจอสีผิวยังไงก็จะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะได้ยินเสียงที่ประหลาดประหลาดยังไงก็จะไม่ให้ความโกรธที่เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่าจะเจอกลิ่นที่เหมือนหน้าอบอวนขนาดไหนของใครก็จะไม่ไม่โกรธแม้จะมีใครวิ่งมาชนมากระทบกระทั่งยังไงก็จะไม่โกรธแม้ใครจะเอาอาหารมาให้กินมีรสชาติดีหรือไม่ดีอย่างไรก็จะไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้นแม้จะเห็นอากัปกิริยาปฏิกิริยาของคนแต่ละคนนะมีการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ เราจะไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้นในใจเรานี่เรียกสมาทานไหมนี่ตั้งใจตั้งใจไว้แล้วความตั้งใจความคิดอย่างนี้ต้องทำให้เกิดบ่อยๆไหมวันหนึ่งคิดกี่ครั้งดีตื่นขึ้นมาให้คิดเรื่องนี้ก่อนเพราะอะไรตอนตื่นใหม่ๆถ้านอนไม่เต็มอิ่มตื่นมาเริ่มหงุดหงิดได้ยังเริ่มได้ยังมีควปกุก เราจะไม่หงุดหงิดแม้เสียงปลุกใช่ไหมเวลาสามีปลุกตื่นทักทีที่ว่ายัางไงจ้าขึ้นมาเช่นใจไว้น่าเชื่อใจไว้หรอใช่ไหมล่ะลูกร้องหงุดหงิดไหมก็ยิ้มว่าไงลูกน่าเชื่อใจไว้หรอแท้จริงก็คือทั้งหมดคือการฝึกนะ หนึ่งตั้งใจไว้จะไม่ให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดเลวร้วายขนาดไหนถ้าตั้งใจไว้อย่างนี้แปลว่าเตรียมตัวรับสถานการณ์นี้ยังเตรียมไม่เตรียมแล้วก็น้อมจิตออกจากความเป็นคนขี้โกรธน้อมออกบ่อยๆน้อมออกเข้าหาเข้าหาสภาพความที่ไม่โกรธความเป็นเมตตาน้อมจิตออกเพราะเราจะงดเกลียดง่ายาออก็น้อมตลอดนะไหมโน้มจิตน้าวจิตออกมาน้มจิตออกมาเข้ามาสู่ภาพเป็นความเมตตา เราจะรักคนทุกคนเราจะหวังดีกับคนทุกคนแม้รักเขาหวังดีต่อเขาเขาไม่ตอบแทนอันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่สิ่งที่เราพึงประสงค์แต่เราจะทำเมตตาให้เต็มเต็มในกระแสะชีวิตในความคิดของเราทีนี้ได้ไหมล่ะได้ไม่ได้เราต้องการฝึกตัวเองหรือไม่ฝึกเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโรงเรียนและทั้งจังหวัดลบบุรีหรือไม่ต้องการเนี่ย ใช้เห็นหน้าเราโอ้โหรักทันทีเลยอ่ะเข้าใจยังดีกว่าไปท่องคาถาเมตตามหานิ ย, ยมไหมล่ะไออย่างนั้นนเป็นธรรมชาติที่ไปบังคับคนอื่นเนี่ยลักสมัยก่อนโยมเนะี่ยเขามีพิธีอะไรรู้ไหมเขาทําเออสมัยก่อนเขาทําพิธีไอเนี่ยอเขาเรียกทำสาลิกาลิ้นทองก็ว่างั้นเลยโบราณเขาก็ทํากันอย่างงี้อยากรู้ไหมล้วก็ทํากันยังไงเขาว่างี้เขาก็บอกว่า เอาคนคนนีเ้เขาไปทําในในป่าช้านะทําในป่าชา้าไปเสร็จให้ใหคนคนนี้ไปนอนไปนอนในโรงพอไปนอนในโลงเนี่ยอาจารย์ที่ขังเวทขังมนเลยต่างๆมีมีมนเลยทั้งหลายเนี่ยวเขาก็จะไปทําพิธีไปทำนี้พิธีเขาจะเอาของที่เขาเตรียมเขาไว้เนี่ยนะไปทําวิธีเขาต้องไปทําพิธีตอนเที่ยงคืนก็งั้น แล้วกไปนอนนั่นแหละยิ้มยิ้มอยู่ในโรงนั่นแหละแล้วก็ไปทำพิธีในการเอาน้ำขี้ผึ้งอะไรของเขานี่ยไปทาพิธีแล้วก็ไปจุดจังหน้าผากบ้างแล้วก็ที่ทลิ้นที่อะไรต่างเขาว่าโอ้โหแต่เนี่ยจะทำให้คนอื่นเห็นแล้วรักหลงไหลว่างั้นนั่นเนี่ยไอ้อย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเป็นการานี่ธรรมชาติคาถาหรือเวทมนต์คาถาเนี่ยเป็นการไปบังคับ วิธีไปบังคับให้คนอื่นมารักเราเหมือนในทุกปัจจุบันนี้นะเวลาสามีทิ้งฝ่ายผู้ชายเวลาสามเออเออเมียทิ้งก็ไปทำพิธีก็ไปทำพิธีอ่ะต้องการอยากจะให้กลับมารักมาหลงเราอย่างเก่าใช่ไหมล่ะซึ่งลองคิดดูนะเนี่ยกระแสะชีวิตของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะโทมลงโทรมลงเรื่อยๆไหม นะเข้าผู้หญิงก็นหนายผู้ชายผู้ชายก็นหนายผู้หญิงใช่ไม่ใช่ตึงบังคับยังไงมันเอาไม่อยู่นะแต่เมตตาเนี่ยถ้าเจริญเบดเสร็จแล้วต่อให้แก่จนฟันหลุดหมดปากก็น่ารัก <c oughs> น่ารักน่ า, น า, นาสนใจไหมเล่าพ่อก็รักแม่ก็รักส า, ม, ามีลูกทั้งหลายเนี่ยรักมากเวลามาอยู่ใกล้แม่ใกล้ภรรยาตนเองแล้วมีความสุขมากๆไม่อยาก เออไปเจอโยมอยู่คนหนึ่งเนี่ยจเจริญเมตตาจริงๆใจก็เจริญเมตตาไปที่ไหน ล, กกลูกลก็รักรักแกจริงๆอะ่ะจนเคยลูกเนี่ยจะคิดถึงแม่มากคิดถึงแม่มากรักหลงไหลรักมากๆเลยแล้วมีจริงเลยเนียไปที่ไหนเนี่ยลูกไม่อยากจะห่างแล้วยังไงขนาดนอนยังขอไปนอนกับแม่ รักแม่แม่แกแล้วสภาพร่างกายก็ป่วยเจ็บๆอ อ, ๆอดๆแอนๆก็รักนี่เพราะอะไรเนี่ยสภาพเมตตาในใจปรารถนาแบบนั้นไหมลูกเห็นไหมแกไม่ต้องไปท่องคาถาหรือไม่ต้องไปบังคับบอกลูกกลับเร็วๆเนะื้อมาหาแม่บอกนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสภาพจิตใจที่เป็นไปกับกําจัดความอาฆาตได้กําจัดความเร่าร้อนเป็นต้นได้ แล้วก็กระชัดความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรจองกรรมได้ให้สงบระ ง, งับมีแต่การให้อภัยแม้แต่คนที่ปฏิทุสลายตัวเองก็มีความรู้สึกให้อภัยเขาเข้าใจเขาเห็นใจเขาไม่ไปตอบโต้ไม่ไปด่าว่าไม่ไปปฏิทุสลายตอบกลับคืนเลยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเติมเต็มตัวเองเห็นไหมหนึ่งโน้มจิตออกจากพยาบาทจากโทสะแล้วก็ให้มาอยู่กับเมตตา นี่นะประการที่สองนะประการที่สมฝึกให้คุ้นเคยยมให้คุ้นเคยให้สภาพใจของเราเนี่ยได้มีการสัมผัสอยู่กับเมตานานๆจนรู้สึกคุ้นเคยว่าโอ้สภาพใจอย่างนี้มันเป็นเมตตาแท้มันเป็นความรักเป็นความปรารถนาดีเป็นความเอื้อถอดฝึกให้ใจอยู่อย่างนั้นจนมีความรู้สึกชํานาญในการที่จะอยู่กับเมตตาเหมือนคนชํานาญกับการอยู่กับโทรศัพ อะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดอะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดแปลว่าเราไปชำนาญอยู่กับโทสะอันนี้ก็เลยฝึกเลยฝึกความจําฝึกความคิดฝึกความเข้าใจให้มาอยู่กับเมตตาเสียถามว่าเมตตาเนี่ยมันเสียเปรียบคนอื่นไหมเสียหรือไม่เสียเสียเปรียบคนอื่นไหมเมตตาเนี่ยมันได้ไม่เสียได้ไงเรามีแต่ได้ก็ได้ด้วยเนี่ยก็เราจัดความไม่ดีในใจเราออกได้ใช่ไหมลูกขจัดความกโกรธออกได้ขจัดความอาฆาตพยาบาทออกได้ स, ขจัดความจองเวรออกได้และมีการให้อภัยแม้แต่คนที่บัทุสร้ายเราคนที่ด่าเราก็บเราก็ให้อภัยใช่ไหมคนที่มาตบตีเราเราก็ให้อภัยคนที่เอาชื่อเราไปนินทาเสียเสียหายเราก็ให้อภัยเขาให้และคําว่าให้อภัยคืออย่างไรรู้ไหมวิธีคิดอยากรู้วิธีคิดไหมถ้ามีคนมาบัทุศร้ายมาดา่าปุ๊บวิธีให้อภัยก็คือว่า ขอให้กรรมที่เขาทํากับเราคือกรรมไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยกรรมชั่วที่เขาทากับเราเนี่ยอย่าได้ทําให้เขาต้องประสบความวิบัติเลยคิดอย่างนี้นะยอมนะวิธีคิดนะเข้าใจยังเพราะเขาทํากับเราที่ไม่ดีเป็นกรรมชั่วไหมเป็นการกระทาที่ที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่ไปกลับคิดบอกว่าขอให้วิบัติเร็วๆเถอะ ฉันนี่ยไม่เคย ว, ว่าอะไรคนเลยฉะนั้นคนมาใส่ร้ายเราเรื่องไม่จริงดังนั้นขอให้วิบัติโดยเร็วโดยพันธ์ให้ทันตาเห็นอย่างนี้แปลว่าเป็นเมตตาหรือเป็นโทวสะพยาบาทแล้วอย่างนี้พยาบาทเขาแล้วเราซวยเลยนะเนี่ยเนยแย่เลยนะี่ยเราไปทํากรรมชั่วเลยนะีเนี่ยอุปมาเงี้ยอุามาเคยอุปม า, ปมาแล้วคนก็รับไม่เคยได้เวลามาคนมายืนด่าเราปับป๊บปับป๊บปปับป๊บปบันี่เราจะโกรธไหม พุทธเจ้ก็บอกมีคนมายืนด่าเราแล้วให้ข้อมูลเสียหายหมดเลยนี่เป็นครูยังไงสอนนักเรียนนะปล่อยนักเรียนวิ่งมาในห้องชั้นเนี่ยสมมติสมสมติยนันทำไมไม่ดูแลนักเรียนดูแลนักเรียนไม่ได้ก็เวลาออกซสที่มันสอนทำไมสมมติเราจะทำหน้ายัางไงทาหน้ า, างไงหนึ่งเขาโกรธมาหาเราใช่ไหม ระหว่างเขาโกรธมาก่อนแล้วถ้าเราโกรธนี่แปลว่าเราตามเขาไหมใครคนโกรธก่อนกับโกรธหลังเนี่ยใครใครน่าเกลียดกว่ากันเพราะอะไรจริงๆคนโกรธที่หลังเนี่ยน่าเกลียดกว่าคนโกรธก่อนเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าความโกรธมันไม่ดีใช่ไหมแล้วก็มาแสดงต่อหน้าต่อตาเป็นยักษ์เป็นมันเราเห็นแล้วทําไมกลับไปแสดงตอบเขาทําไมอันนี้นี่อย่างหนึ่งเนื้ ถ้าอุปมาอย่างนี้ได้ไม่ยอมมีคนวิ่งมาต่อหน้าเราแล้วเอาถังอุจจาระลาดราดหัวตัวเองไอเราก็โกรธใหญ่วิ่งไปตักถังอุจจาระมาลาดตอบด้วยใครน่าเกลียดที่สุดสองคนนี้ใครน่าเกลียดที่สุดคนที่สองนี่แหละหน่าเกลียดก็เห็นแบบอย่างไม่ดีแล้วเขาก็รับเอาถังอุจจาระลาดตัวเองแล้วเราไปราดตอบเขาทําไมล่รัเข้าใจยัง ฉะนั้นต่อไปเวลาใครมาโกรธ ด, ด่าเราเราควรโกรธตอบหรือควรเมตตาเขาไอ้เพ <c oughs> ื่อหัวรอ <c oughs> แล้วถามว่าความโกรธนี่มันเป็นสภาพของความเหม็นไหม <c oughs> เป็นสภาพของความเร่าร้อนไหม <c oughs> จิตนั้นอาฆาตพยาบาทไหมเล่า <c oughs> มันจะต่างอะไรกับอุจจระ <c oughs> แท้ที่จริงก็คือเอาสภาพของจิตที่ไม่ดีใช่ไหม สภาพใจที่ไม่ดีนะ่ะลาดกระแสชีวิตตัวเองหมดแล้วจริงๆตอนนั้นร่างกายก็ดำเกลียมหมดแล้วอย่างกับไฟไหม้ป่าแล้วอย่างกับฟ้าผ่าเรียบร้อยแล้วตาก็ถะมึงถึงอากับกิริยาเขาหน้าเกลียดหน้ากลัวมันจะต่างอะไรก็เอาอุจจละเอาอุจจาระมนราดยังดูยังดูน่ารักกว่ามันอาบน้ํายังออกใช่ไหมลูกแต่ความโกรธอย่างนี้เดี๋มันเผาไหมเงี้ยคิดอย่างนี้ได้ไหม ต่อไปใครโกรธใครด่าเราเราจะโกรธตอบหรือเมตตาตอบเออถ้าเขาเอาอุจจาระตัวเองเราก็จะน้ําลาดตัวเอ ง, เเอเองใช่ไหมละ่ะแล้วเอาไม่ใค่น้ําธรรมดาเนะน้ําที่มีดอกมะลิหอมๆลาดด้วยน่าชื่นใจไหมละ่ะอ้าคุณลาดเราก็ราดเหมือนกันนะแต่เราใช้น้ําน้ําที่ผสมดอกมะลิราด เ, าเขาราดห้าครั้งเราก็ลาดสิบครั้งน่าชื่นใจไหมละ่ะ โอ้น่าชื่นใจเราจะลาดบ่อยๆลาดบ่อยๆเอาเมตตาลาดในใจเราบ่อยๆลดในใจลดในกระแสชีวิตเราบ่อยๆถามว่าเราจะผ่องใสไหมเราก็จะผ่องใสพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เยอะสาวกพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้แหละไม่โกรธใครเราความไม่โกรดนี่เพิ่มอํานาจหรือทําให้หมดอํานาจเห็นไหมอํานาจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเขาจะเป็นคนน่าเก่งใจมากใครเห็นใครก็โอ้ ท่านันนี้ยอมแล้วไม่ไหวแล้วเราลองทุกท่าแล้วไม่เคยเขาไม่เคยโกรธเลยเนี่ยดาก็แล้วนินทาก็แล้วก่นโคตรก่นพ่อก่นแม่มาดาก็แล้วเขาก็ยังยิ้มแย้มแจม่มใส ย, ยังมาปฏิบัติ ด, ดีกับเราอีกฉันทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วยอมเป็นพวกดีกว่าเขายอมไหมยอมนะเขานะเขาอู้ย้อมแล้วไม่ไหวแล้วคนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไมใจขนาดนี้ก็ไม่รู้ยังไหมล่ะก็เอาไปคิด แล้วเอาไปทำทำได้ไหมล่ะแล้วถ้าทำได้จะยิ่งใหญ่ไหมคนจะกล่าวขานกันทั้งโรงเรียนไหมกล่าวขานในทางดีหรือไม่ดีทางดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราไปตอบโต้เขาเนี่ยอย่างแรงๆเลยเนะเขาด่ามายังไงเราด่าหนักกว่าเขาเนี่ยนะถามว่าเขาจะเอาไปชื่นชมทั้งโรงเรียนหรือว่าไป สารเสรื่อหรือเขาจะไปตําหนิเขาก็ตําหนิใช่ไหมตาหนิเสียหายอะไรว่าเป็นครูแค่นี้ก็ทนไม่ได้เขาว่านิดเดียวเนาะโอ้โหว่าก็จะเสียหายไปเลยเอาก็กลับไปปลึกแคนั้นอย่างรุ่นเนี้ยเขาต้องเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษรุ่นที่เข้าถึงเมตตาจริงๆใช่ไหมเวลาจะกโกรธ ก็นึกถึงหน้าเนียนลดเข้าไว้หรือนึกถึงหน้าเนนหนึ่งดีกวท่านยังไม่โกรธอะไรสมมติไงเนอะนึกถึงหน้าคูบาอาจารย์นี้เขาไว้บอกโอ้เนี่ยท่านบอกเราขนาดนี้นะขนาดเอาอุจจาระลาดตัวแล้วเรายังจะไปราดอีกทําไมอะไรเงี้ยนะหรือจะให้อุปมานหนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้ได้ไหมเอาไหมไม่เอาแล้วเงนินแค่นี้ก็พอแล้วก็สรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่า เมตามีความร่มเย็นผ่องใสเป็นอาการปรากฏอะไรร่มเย็นเมื่อพิจารณาว่าเมตตาเกิดขึ้นกับบุคคลใดก็จะทำให้บุคคลนั้นมีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุขนื้อจิตใจเยือกเย็นกายก็สงบวาจาก็สงบโดยเฉพาะสภาพจิตใจก็มีความสุขถามว่าคนที่มีเมตตาเวลา ใครมาเจอหน้าเขาสบายใจไหมแค่เขามาซักถามใช่ไหมเขาถามว่าครูทําไมลูกชันทําไมครูไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลเล่าที่แรกหน้าเราก็ทําท่าจะยิ้มเนี่ยเลยเนื้อแล้วเขาเริ่มเริ่มเริมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วว่าได้ไงเนี่ยว่าได้ไงเนี่ยอันแล้วเป็นไงเริ่มเนี้ยเสียงแข็งยังเดินนย แล้วเป็นยังไงเด็กไปฟ้องอีกแล้วสิ อ, อย่างนี้เมตตาออกหรือยังออกทางว จ, จีกรรมไหมแล้วก็ย้อนถามเขาเออว่ายัางไงเนี่ยเด็กไปฟ้องว่าครูลําเอียงเวลาจะแจกกระดาษให้ก็แจกให้ทีหลังอเด็กโดยมากก็จะมีเหตุผลแบบนี้ใช่ไหมละ่ะก็เขารักเราอะ่ะเขาก็อยากให้เราแจกให้เขาก่อนใช่ไหมลองใช่ไม่ใช่ ถ้าเราไปแจกให้เบ็ดเสร็จเงี้ยนี่นนก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงนะว่าเราจะทําให้คนอื่นก็พอใจหรือเด็กนักเรียนพอใจทุกคนก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ในขณะเดียวกันพอผู้ปกครองมาพูดอย่างนั้นเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเออเดี๋ยวขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะแก้ไขให้นะพอเขาเห็นเรายิ้มแย้มแจ่มใสเขาว่าไงไอ้ที่เขาเตรียมจะโกรธเตรียมจะว่ามากๆหายไหมหายเออแล้วมีอะไรอีกไหมที่จะให้ฉันปรับปรุงแก้ไข โอโนี่เขาเชื่นใจไหมเนี่ยเราเคยพูดเชิงแบบนี้ไหมเชิงปฏิกิริยาเชิงวิธีคิดพูดแบบนี้เคยไหมถ้าพูดกับ น, นักเรียนเนี่ยพูดแบบนี้มีไหมยกย่อมเขามีบ้างหรือเปล่ามีมไหมก็เข้าใจไม่ยกเกินเหตุโอ้โหสุดยอดนักเรียนชั้นนี้สุดยอดจริงๆในโลกนี้ไม่มีนักเรียนคนไหนดีเท่ากับพวกเราแล้ ว, ลวนี่ก็เกินเหตุใช่ไหมถ้าไปพูดอย่างนี้ก็คือพูดให้กําลังใจ ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าใครพบเห็นก็พอยสบายใจมีความสุขไปด้วยความสงบร่มเย็นนี้เป็นเป็นสภาพของเมตตาที่แสดงออกมาจะกลายเป็นคนที่มีกายก็สงบไอ้สงบไม่ใช่สงบแบบบื้อๆเนะี่ยขอไปนะสงบแบบมีอาการที่ดูแล้วน่าชื่นใจมากแววตาก็สดใสคนที่คนที่มีสภาพโทสะในใจเยอะเลยนะ ตาจะแข็งๆเนะี่ยแต่ยังไม่ได้ไหมถ้าโทสะมากๆตาเริ่มขวางไหมขวางไม่ขวางตาเริ่มขวางถ้าขวางนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ไหวแล้วอันนี้แปลว่าโทสะเกิดตลอดสรุปแล้วก็คือฝึกให้คุ้นเคยฝึกให้คุ้นเคยกับสภาพจิตแบบนี้ แล้วก็น้อมให้เกิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนชำนาญมากคิดเมื่อไรก็เป็นเนื้อเป็นตัวเลยฝึกอย่างนี้นะต้องฝึกทุกวันฝึกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับคนนี่ใช่ไหมล่ะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายหรือไม่มีชีวิตเนี่ยคืออย่างนี้บางคนเนี่่เวลามาเจอโต๊ะทํางานเสร็จปุ๊บมองใช้สายตามองมองนี่ใครมาเล่นโต๊ะครูเนี่ย ยกมือที่นี่ยกมือบอกมันนะบอกมันนะบอกมัน <c oughs> อันนี้เรียบร้อยอยางตอนนี้อันนี้เป็นบ่อยไหมแบบนี้บ่อยไม่บ่อยเคยเป็นไหมเคยไม่เคยนะต่อไปถึงแม้ว่าเข้าไปในห้องเบสเ็ตนักเรียนมันจะลืดทั้งทั้งห้องให้มีความรู้สึกไง แม่วันนี้เจอโจทย์ทําให้เมตตาขึ้นแรงเหลือเกินวันนี้แหละโอ้โหเนี่ยเราจะสุดยอดจริงๆอย่างเรามันต้องเจอนักเรียนอย่างนี้มันถึงจะได้มันเหมาะสมที่เราฝึกอบรมมาตั้งเจ็ดวันถ้าไม่เจออย่างนี้มันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยนะได้ไหมทาำยี้ได้ไหมนี่สภาพเมตตาเกิดจริงใช่ไหมมันมาได้กุศลของเราแท้ๆนะ ที่มาแบบนี้ใช่ไหมล่ะถ้าไปเจอคนที่ดีดีไปหมดเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นนะถ้าเจออุปสรรคประเภทที่โอ้โหเจอนักเรียนว่าเอา้ามาเลยดื้อเอยใครไม่เอาเชิญมาเชิญมาเข้าห้องประชมุมเข้าไปบอกวเวลาประชุมกับบรรดาพวกครูอาจารย์ทั้งหลายเขาบอกเดกคนนี้แย่มากยกมือเลยไอแย่ขนาดไหนขอหน่อยขอหน่อยได้ไมล่ะงั้น เอามาห้องนี้ได้ไหมไอ้ดื้อสุดๆนี่เราชอบนะเพราะอะไรนี่ไงเพราะจะได้เป็นเป็นอะไรเป็นเวทีทดสอบเมตตาใช่ไหเนี่คือเวทีทดสอบเมตตาเราจะต้องทําเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้จะต้องฝึกเพียรพยายามทําให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วถ้าถามว่าสภาพเมตตามีพลังมากๆขึ้นมาไปเสร็จถามว่าเด็กนี่ยเขาจาัดเคารบเราไหมเคารบหรือไม่เคารบ เขาจะเคารพถ้าสภาพเมตตามีพลังจริงๆนะว่าไงถ้าสภาพเมตตามีพลังจริงๆเขาจะเคารพจริงๆเขาไม่ใช่รักอย่างเดียวแล้วเขาจะเคารพแล้วอย่าลืมนะบางทีเราไปสอนหนังสือนักเรียนเนี่ยกลายเป็นทำให้เด็กมีปัญหา้งชีวิตเคยเจอไหมล่าปฏิกิริยาไปจากครูเนี่ย ครูด่าเขาหรือครูครูไม่เข้าใจเขาให้สังเกตดูนะถ้าเราทำแบบสำรวจออกมาเราจะเห็นภาพชัดเลยครูบางคนเนี่ยไปสอนหนังสือนักเรียนจักไม่อยากเรียนวิชานั้นเลยเราเคยสำรวจข้อมูลตรงนี้ไ้ยเล่าถ้าเจอหน้าครูคนนี้หืมไม่ได้ แล้ววิชาเขาจะตกต่ําตลอดแหะถ้าไปถามเด็กเนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบครูไม่ชอบพฤติกรรมที่ครูพูดกับเขาอย่างนี้ส่งสายตากับเขาอย่างนี้มีพฤติกรรมแสดงออกอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เราแก้ไขที่เด็กหรือแก้ไขที่ครูวิธีแก้ไขเขาแก้ไขตัวไหนเออเพิ่มพลังเมตตามันเกิดขึ้นสิบางทีเราไปโทษเด็กไปไปมาเวลาไปนั่งประชุมกันในฝ่ายวิชาการเบียเสร็จหรือไป ผูปกครองแรงต่างหรือว่า น, นี่คุณก็ดูลูกของคุณดิคุณก็โทษแต่ครูอย่างเดียวอะ่ะแล้วเวลาอยู่บ้านคุณเอาอยู่ไหมเราไปใส่กลับคืนเขางงี้ยุ่งไหมเนี่ยยุ่งไหมก็เพราะเขาเขาศรัทธาครูไงเขาถึงเอามศรัทธาโรงเรียนไงเขาถึงเอาเข้ามาให้มาเรียนที่นี่เขากล่าวว่าจะช่วยเขาได้หรือจะทําให้ลูกเขาดีได้ใช่ไหมนี่ไปพูดอย่างนั้นไปทําลายศรัทธาเขาไหม ทำลายความเชื่อมั่นตัทฑาเขายุ่งเลยมหม ย, ยุ่งไม่ยุ่งใครยุ่งโทสะนี่เกิดในใจเราทําให้จิตเรายุ่งเคยเจอเปัญหานี้ไหมเอาตอนนี้ต่อไปก็คือว่าเออเมตตาจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรเ อ, อมีอะไรเป็นตัวใกล้ชิดมีอะไรเป็นตัวใกล้ชิด อะไรเป็นเหตุที่จะทําให้กระตุน้นเมตตาเกิดเร็วที่สุดการมองจุดด้อยกับมองจุดเด่นเนี่ยอันไหนเมตตาเกิดง่ายคนมีจุดเด่นกันทุกคนไหมมีหรือไม่มีถ้าคนมีโยนิโสมนสิกาณ์ถ้าคนฉลาดหน่อยจะเห็นจุดเด่นคนทุกคนอา้าวถ้าเกิดนักเรียนบางคนเนี่ยขออภัยนะตาเขาไม่สามาัคคีกันเนี่ย ร้จัคำว่าตาไม่สามะคีไหมรู้ไหมอ้าวรู้หรือไม่รู้ตาไม่สามะคีเป็นยังไงฮะไปคนละทางยังไงคําว่าตาไม่สามะคีฮะเออธิบายตาไม่สามะคีตาไม่สามะคีก็แปลว่าเวลาเป็นนั่งร้านขายของนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ใช่ไหมจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตาหนึ่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวไอ้ตาหนึ่งไปสั่งผัดไทยข้างนี้คนละร้านอย่างเงี้ยมันไปอย่างเงี้ยเขาเรียกตามไปคนละทางอย่างเงี้ยก็ตามไปสามัคคีนี่เรามองแล้วก็โกรธไงบางทีไปไม่พอใจใช่ไหมนี่คนคนนี้ตามน่าเกลียด อ, อย่างสมมติไงเนี่ยแล้วก็ไปโกรธนี่เราไปมองจุดด้อยเขาที่จุดเด่นจุดด้อยเขา มันมีเยอะหมดนะคนเราเนี่ยบางทีเราไปคนบางคนมันฉลาดในการที่เออไม่ใช่คนบางคนมันแยบยนนะชอบคิดในมุมไม่ดีคนอื่นแล้วเราถูกสอนอย่างนี้มาจนถูกสอนมาจนจนจ น, จนชํานาญเรการพูดกันเหมือนกันให้สังเกตดูโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเนี่ยเราจะพูดเรื่องดีเขาหรือเรื่องไม่ดีส่วนใหญ่ นี่บ่งบอกว่าเรามีอัธยาศัยชอบวิจารณ์จุดเด่นหรือชอบวิจารณ์จุดด้อยแล้วถ้าวิจารจุดด้อยแล้วสภาพจิตใจเราจะเป็นยังไงเศร้าหมองหรือผ่องใสนี้เขาเรียกวิธีคิดที่ไม่ชานฉลาดถ้าคิดที่ชานฉลาดแล้วเนี่ยจะวิจารณจุดหรือจะเห็นจุดเด่นมากแล้วเมื่อเห็นจุดด้อยก็พยายามจะ ช่วยปรับและช่วยแก้ไขให้กับเขาก็ใจยังเมตตาเป็นอย่างนี้นั่นแหละความเป็นผู้มีการฉลาดคิดนี่แหละคิดถูกทางนี่แหละคิดโดยอุบายที่ดีเนี่ยจึงไม่มีอาการโกรธจึงไม่มีอาการขัดเคืองถ้าขัดเคืองในเรื่องใดแล้วก็จะพิจารณาทันทีเช่นถ้ามาเนี่นะเนี่ยเห็น น, นี่เป็นครูป่ยายอมผู้จายเป็นครูไหมเป็นไม่เป็นสอนชั้นไหนฮะเป็นครูเนี่ยแต่ไม่สอนใช่ไหมสมมติเอามาเห็นว่าเออชื่ออะไรนะขอไปฮะนาวากิจแปลว่าอะไรนว่ายแปลว่า 9. ก้ากิจเนี่ยแปลว่าการงานเพราะว่าอบาลีแปลว่าก้า มีการงานอยู่เก้าอย่างสมมตินะอมาเห็นเห็นว่าเอครูคนเนี้เวลานั่งฟังไม่หันสีข้างให้สมมติ น, ะนี่นี่ น, น, นี่มองจุดเด่นหรือจุดด้อยเออดีนะอามาก็คิดว่าดีนะที่ไม่หันก้นมาหาพระถ้าหันก้นมาที่แปลว่าไม่เคารพ แต่หันสีข้างมาเอายังมีอาการเคารพอยู่ใช่ไหมอ่ะถ้าพ อ, พอพูดยังไม่ทันข่าบคาวาหันก้นมาจริงด้วยอามากันนึกในใจรู้ไหมเออดีนะแค่หันก้นอย่างเดียวนยะไม่ยกส้นเท้ามาทำค้าด้วยขออภัยนะเห็นไหมวิธีคิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามองจุดเด่นได้ไปเรื่อยๆ อ, อ่ยในสมัยครั้งพุทธกาลนะมีพระรูปหนึ่งท่านจะไป ประกาศศาสนาที่สุนาปรันตชนบทเมืองนี้เป็นเมืองคนดุมากเหมือนภาคใต้เนี่ยเหมือนไปภาคใต้เนี่ยที่จริงคนภาคใต้ไม่ใช่คนดุนะแต่คนที่ไปไปก่อการเนี่ยเป็นคนดุเหมือนอย่างนี้อโยมพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าดูก่อนพุญ น, นะถ้าเธอจะไปที่เมืองนี้ มีแต่คนโหดมีแต่คนเครียดมีแต่คนขี้โกรธทั้งนั้นเธอไม่กลัวเลยว่าถ้าไปแล้วเบียเศเธอจะได้ยินแต่คำห ย, ยาบหยาบคำด า, ด, าด่าเออที่ภาคใต้นี่นะขอไปนะเวลาเขาเจอเขาจะถูกฝังทิฐิเวลาพาไปบิณฑบาตเนี่ยเขาจะถุยน้ําลายทุกคนจะถุยน้ําลายเอามาเลยถามมาหามหน้า ว่าเออพ่อท่านเคยไปอยู่มาไงที่ท่านกลับไปแล้วเออท่านมาหาตอนท่านไปอยู่แถวนาราที่ว่าที่มันมีกลุ่มเออมุสลิมเลยเนะี่ยพอไปเนี่ยเขาถุยน้ำลา ย, ยางั้นจริงจริงเลยทุกคนถุยน้ำลายใส่หมดเลยแต่ไม่ได้ถุยน้ำลายใส่พานะก็จะเห็นหน้าวถุยถุยถุยทีนี้เขาพูดนะแต่เขาพูดเป็นภาษายาวีถ้าแปลออกมาเขาแปลว่าไงรู้ไหมไอหัวโลนขอไปเนี่ย ไอ ห, หัวล้านไอขอทานแล้วก็ถุยเขาใช้สามประโยคเนี่ยถ้าทานเรารู้ความหมายงั้นพุทธิย่าก็ถามบอกเออเนี่ยถ้าเขาด่าถ้าเขาด่าอย่างเงี้ยใช้คำพุทธสวรร่าอย่างเงี้ยเธอจะโกรธเขาไหมท่านบนน้าบอกไม่โกรธหรอกเขาด่ายังดีกว่าการที่เขามาใช้มือมาประทุศร้ายใช่ไหยดีกว่าเขาเอามือมาตบเราอ่ะ พุทธเจ้าก็ถามต่อไปบอกว่าเอา้าถ้าเขาเอามือมาประหารมาตบมาตีอ่จะโกรธไหมไม่โกรธเราพยาค้าไม่โกรธพระเจ้าค้าทําไมไม่โกรธก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาทุบเห็นไหมมือมือตีดีกว่าไม้ทุบใช่ไหมนี่เขาเรียกมองจุดอะไรเนี่ยมองจุดเด่นเอาถ้าหากว่าเขาเอาไม้มาทุบเอาไม้มาทุบ แล้วเธอจะโกรธไหมบอกไม่โกรธหรอกดีเข้าไม้มาทุบยังดีกว่าเขาเอาสตราเนี่ยหรือมีดเนี่ยมามาตัดมาตัดอวัยวะตัดมืออะไรเงี้ยก็ถามว่าเออถามต่อไปว่าเอาละถ้าเขาเอามีดมาตัดมือตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง่จะโกรธไหมไม่โกรธหรอกดีกว่าเขามาประหารชีวิตตัดคอให้ขาดเลยใช่ไหมท่า ตอนให้นไม่ตายนี่ไปโกรธทําไมทีนี้เอาละขั้นตอนสุดท้ายถ้าเขาเอาสัตราวุธมาตัดคอเธอขาดเลยเนี่ยฆ่าตายเลยเนี่ยเธอจะโกรธไหมไม่โกรธหรอกพระเจ้าค่าทําไมเพราะร่างกายมันก็น่าเอือมละอาอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน่าเบื่อ น, นายใช่ไหมล่ะข้าพระเจ้านี่ก็เอือมละอาหเหลือเกินที่ต้องกิน ต้องต้องกินต้องขับต้องทายต้องคอยบริหารการจักายที่มันเน่าเปื่อยเนี่ยมันไม่มีสารละเลยเป็นรังของโรคด้วยในตาก็มีแต่ขี้ตาไหลออกหูก็ขี้มูกไหลต้องเช็ดต้องล้างที่ปากก็เสลด้ลนน้ำลายที่หูก็ขี้หูเต็มไปหมดทั้งทวานหนักก็ที่ไหลออกของอุจจาระทวานเบาก็ที่ไหลออกของปัสสาวะตามลูขุมขนใช่เป็นล้านเป็น ละล้านขุมขนก็มีไหลออกก็เหงื่อใครก็มีแต่ ก, กลิ่นเหม็นมันก็ไม่น่ายินดีอยู่แล้วพระเจ้าค่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยวางใจได้หมดแล้วพระเจ้ากษัตริไปเถอะเธอเมตตาเธอแข็งแรงแล้วเขาใจอย่างมองจุดเด่นนี่เขาเรียกว่าเตรียมใจคิดไว้ก่อนเข้าใจบริบทเหตุการณ์ไว้ก่อนถ้าอย่างนี้เมตตาเกิดจริงไม่จริง ทำได้ไหมฮะเราจะเจริญเมตตาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขคนเจริญเมตตาแบบมีเงื่อนไขจเจริญยังไง ร, รู้ไหม เ, เราจะนับไว้ถ้าด่าเกินสิบห้าคำไม่ได้อันนี้คือแบเจริญเมตตาแบบมีเงื่อนไขไหมมีเงื่อนไขอย่าไปมีเงื่อนไขอยู่ ฝึกจเจริญไว้เป็นอำนาจไหมให้สังเกต ด, ดูนะความคิดอย่างนี้พอท่านไปจริงๆผลปรากฏว่าทั้งเมืองใ น, ใ, นอในสุนาปรานตาชนบทในจังหวัดนั้นนะ่นะในจังหวัดนั้นทั้งจังหวัดกลับมาศรัทธาท่านหมดเลยไม่เสียดายเดี๋ยวมาจะฝึกเนรนลดให้มีเมตตามากๆจะส่งไปอยู่ภาคใต้ไปกันเนนหนึ่ง ح ح> สององค์นนะต้องฝึกให้มีเมตตามากๆนะยังใช่ไหมใช่นี่หน้าปึกนะมันต้องไปทดลองอย่างนั้นเป็นเวทีทดสอบความสามารถว่าไงจะยันที่เบาดีจริงว่ามันจะปึกเมตตาอีกถึงขั้นดีใช่ไหมนี่เวลาเท่าไหร่แล้วสิแปดนาฬิกาเท่าไหร่สิบห้านาที เปะเลยนะเรื่องเวลานี่อ้าวให้ถามปัญหาเรื่องเมตตาคนเจริญเมตตาเนี่ยต้องรู้จกักคันติดีไหมต้องรู้จกักคันติดีหรือไม่ดีคันติแปลว่าอะไรอดทนอดกลัน้นอดทนอดกลัน้นแบบไหนกราดฟันกรดกรอดที่เป็นคันตีไหม คันติต้องเป็นว่าแล้วว่าอะไรบอกเมื่อตอนเช้าไปทีแล้วก็ไม่รู้ถ้าเราสอนนักเรียนเนี่ยไปสอนนักเรียนสอนอยังไงนักเรียนก็จําไม่ได้เราโกรดนักเรียนไหมโดยโดยคิดยังไงฮะม่ที่ผ่านมานะโกรธหรือไม่โกรธโกรธใช่ไหมแล้วตอนนี้ที่สอนเมื่อเช้านี่แล้วเราก็จาไม่ได้คิดว่ามาจะโกรธพวกเราไหมเนี่ย เพราะอะไรโอ้โหนึกแล้วเข้าตัวเองจนได้เอ๊ะ <laughs> ถ้าอย่างนี้ได้ไหมเอามาไม่โกรธพวกเราหรอกได้โกรธความจําของพวกเราอ่ะไอ้ความจําำว่าอามาเอออามาคิดอย่างนี้ได้ไหมบอกว่าเอาเอไอ้ที่เรื่องไม่น่าจํำนะจําดีแท้ แต่เรื่องที่จะจำเนี่ยไม่ค่อยอยากจะจำอยานี้ยางนี้ได้ไหมไม่พอใจแบบนี้ได้ไห ม, ไมไขันติเนี่ยเป็นสภาพที่สภาพของขันติเนี่ยนะเป็นสภาพที่อดทนนะถูกแล้วเป็นสภาพที่อดกลั้นนะแต่เป็นธรรมชาติที่ยอมรับได้ด้วยปัญญาด้วยเห็นไหมว่า ถูกตำหนิถูกด่าถูกว่าถูกกระทบกระเทียบถูกนำชื่อเสียงเอาไปว่าเสียเสียให้หายถูกตำหนิถูกทุบถูกตีใดๆก็แล้วแต่แต่ก็เป็นผู้ที่ยอมรับได้ด้วยปัญญานะีผู้ยอมรับได้ด้วยปัญญาเออถ้าพระท่านพิจารณาลงทีอย่างนี้นะให้พิจารณาโดยนะว่าบางครั้งเนี่ยเอ้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อถึงเวลา 6โมงคึ่งถึงเวลา1ทุ่มแล้วไม่ได้กลับเริ่มงยิน้ไหมแต่ต่อไปให้พิจารณายัางไงพิจารณาว่าดีแล้วเนาะถ้าเรากลับไปที่บ้านเราก็จะไม่ได้ข้อมูลในการฝึกขัดขัดเกลารือว่าในการที่จะเจริญเมตตาเลยแล้วเรากลับไปก็ไปเจอสภาพบ้านแบบนั้นแหละแล้วก็ไปหงดหงิดกับบ้านเดยซ้ําไปบางคราวเนี่ย บางทีไปที่ที่บ้านอ้าวบ้านไม่ได้กลัวกวาดอีกใช่ไหมละ่ะไม่ได้กวาดอีกเข้าไปในห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่ได้ทําความสะอาดอีกงุดยีดใหญ่เลยตอนนี้ไปเปิดตู้เย็นมากะจะหาอะไรกินรองท้องหน่อยเอาวางเปล่าน้ําสักแก้วก็ไม่มีอออืเห็นไหมลักษณะอย่างนี้สถานการณ์เราจะเจอแทบทุกวันไหมเจอบ่อยไหมหรือบางทีเปิดตู้เย็นออกมาเหมือน อึงเลยดีน๋นี้ไม่รู้เอาอะไรไปยัดใส่ตู้เย็นไว้ก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีเข้าไปในห้องน้ำเบีเสร็จพวกเข้าห้องน้ำไม่ยอมกดชักโครกโอ้โหเดียนี้ลอยเป็นลอยเป็นปลาเผาเลยเียนี้เคยเป็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะโกรธไหมฉะนั้นสถานการณ์ที่จะทำให้ความโกรธเกดิเกดขึ้นมีทุกวันถ้าเราไม่ฝึกไม่ขัดล้าเราจะไม่ได้อะไรตามใจปรารถนาหรอก ใช่ไหมล่ะไม่มีเลยเราจะต้องเจอสถานการณ์พระท่านก็นจะพิจารณาว่าถ้าไปเจอบรรยากาศที่มันหนาวเกินไปท่านพิจารณาบอกว่าในสังสารวัตรเนี่ยเห็นไหมปัญญาเกิดแล้วท่านยอมรับได้ทันทีในสังสารวัตที่ผ่านมาเลยเคยผ่านความหนาวมาอย่างยาวไกลเนี่ยบางพบบางชาติเราไปเกิดนู้นเนี่ยเป็นในโลกันตริยานรก ในโลการตรีญะณโลกมีสัตว์นรกประเภทหนึ่งนะมีความยาวสามคาวุธเนี่ยยอมเชื่อไหมโลกสามคาวุฒเนี่ยหนึ่งคาวุฒก็สี่กิโลเมตรเนี่ยสามคาวุธิเนี่ยกี่กิโลโอ้โหกว่าจะคิดออกไม่เชื่อเลยที่ไปบอกให้เป็นอาจารย์นนะหนึ่งคาวุฒิสี่กิโลเมตรสามคาวุฒเท่าไหร่เออสิบสองเท่าไหร่ สิบสองกิโลนั่นคือความยาวของของสรีละของสัตว์เอาสัตว์ทำไมถึงมีความยาวในร่างกายขนาดนั้นจะได้รองรับบาปหนักๆงี้กายประสาทจะได้ยาวๆใหญ่ๆแล้วจะได้รองรับความเจ็บความทรมานความเจ็บปวดความเหน็ดความหนาวเนาะนั่นแหละท่านก็พิจารณาว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาเราเคยเป็นหนาวเหน็บอย่างนั้นมาแล้ว ฉะนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีชาติที่ยอมรับได้ด้วยปัญญาโดยการที่เราจะไม่ให้โทสะมาเกิดขึ้นในใจเราเราจะฝึกตนเองตั้งอยู่ในสีนี่แหละว่างั้นนะตั้งอยู่ในสมาธิในเมตานี่แหละเราจะทําเมตตาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายฝึกฝนพัฒนาตนเองออกจากความโกรธให้ได้ mm hmm. เห็นไหมท่านยอมกับความโกรธที่ไหนท่านไม่ยอมหรอกหรือถ้าไปเกออากาศร้อนๆเนี่ยเอาช่วงนี้อากาศร้อนมาก บางคนไปเจออาการร้อนหน่อยหูแดงตาแดงหน้าแดงมันไม่ได้แดงแต่หูแต่หน้าแต่ตาแต่ผิวว่าใจคือเดือดปึุดๆเอาปิดนึกยิงปิดแอร์ดิเนี่ยเครียดกันไปแถวไปแนวนเนี่ยพวกเราเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าบางคราวบางสถานการณ์บางอย่างเนี่ยถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเกิดมหาหตภัยขึ้นมาแล้วก็เห็นอยู่บ้านเราตอนเกิดอุทกภัยเนี่ยยอมรับกันได้จริงไหม นี่ไงเพราะไม่ฝึกเมตตาโกรธเกลียดเครียดดา่าทนไม่ได้ยอมรับไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วให้สังเกตดูนะสภาพที่สภาพคนไทยเนี่ยลืมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยบ้านตนเองเกิดน้ำท่วมมองไปถึงบ้านคนอื่นน้ำก็ไม่ท่วมเคยมีใจแผ่มุทิตากับเขาไหมโอ้ยกุศลของเขาดีนะ ชื่นใจที่เห็นบุญของเขาดีแผ่ไม่ออกแล้วไปเปิดเปิดอะไรเปิดเขื่อนท่วมนะบานเขาสิใช่ไม้มเรามีแต่เอกปัญหากันอย่างนี้เต็มไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่เข้าใจกุศลที่แท้จริงกันนี่แหละโกรธกันไปปะท้วงกันด่าทอกันใช่ไหมใช่อันนี้แปลว่าเป็นธรรมชาติที่ยอมรับไม่ได้ นี่ไงก็เห็นอยู่ว่าเมื่อสภาพของขันติก็ดีมเมตตาก็ดีไม่ได้เกิดจริงๆแล้วมันได้อะไรได้อะไรเนี่ยได้บาปกายกับทุจริตวาจาก็ทุจริตใจกับพุกผ่านกลนด่ากันเลยสารพัพทางสื่อก็เอาเอาไม้ไปจ่อปากดา่าทั้งประเทศเลยเด้ ย, ยไอคนฟังเข้ามาก็โอ้โหดา่าเอาเลยผสมลง ด, มด่าตาเมียเนี้ยไอคนชอบก็ดา่า ก็ดา่าไฟที่ถูกดา่าไอ้คนเกลียก็ดา่าคนดา่าไปกันใหญ่ไหมแต่เนี้ยที่สุดจริงๆได้อะไรเนี่ยโทสะ ก, กันทั้งนั้นบาปไหมว่าจีกรรมที่กล่าวมาเป็นสุจริตหรือทุจริตกายที่ยกมือเยือยเยือยเป็นกายสุดจริตหรือกายทุจริตใจที่คิดอาฆาตพยาบาทอย่างนั้นเป็นมโนสุดจริตหรือมโนทุจริตนั่นแหละบาปเหล่านั้นมันจะให้ผลใคร เพราะตนเองไม่รู้ไงว่าทํากรรมอะไรตนเองถึงต้องประสบอย่างนั้นนี่ไงไม่รู้เหตุและผลจะให้นคนที่เจริญเมตตาหรือฝึกเมตตาเขามีปัญญาไหมมีปัญญารู้เหตุผลไหมมีปัญญารู้เหตุและรู้รู้ผลแล้วก็เข้าใจเหตุและผลอย่างชัดแจ้งนี่พอจะเข้าใจอย่างเังียวนี้เออเจริญเมตตาก็เจริญรักสมัยนั้นสรุปแล้วก็คือตั้งโยนิโสมในสิกายนี้แหละแล้วก็พิจารณาให้ชัดแจ้งนะ มีใครถามปัญหาเอาให้หนึ่งปัญหาพอแล้วเอาว่ามาเอาไม้ไปหน่อยดิยไม่ได้ยินมีไม้ไหมเอาย ไ, ไปหยิบไม้หน่อยใช้ได้ใช้ได้ไดเปิดเปิดข้างหลังระยาช้างฉัดทันก็เห็นเวลามันกระชั้นชิด ที่แรกมนมาแต่ที่แรกแล้วเห็นเวลากระชั้นชิดเวลาจำกัดหมดเลยมีคนบอกว่าไม่ทั น, นเหลือสามนาทีนะทีนี้เออเล่าตรงนี้ก่อนนะนายพานโสนุดปิดไว้เลยปิดไม่ต้องเปิดตัวนะั้นเอะตรงนี้ก่อนนะสรุปประเด็นตรงนี้ให้ปังเออนายพานโสนุดอนนะ ก็บอกว่าพนางสุพัฒนาเนี่ยพนางสุพัฒนาเนี่ยสุบินฝันแล้วก็แพ้ท้องใช่ไหมแพ้ทองปราถนา ง, งาถ้าโพธิสัตว์ได้ฟังอย่างนั้นก็ก็ทราบว่านี้เป็นการกระทาของนางจุลสุพัทนาเป็นอดีตภรรยาสมัยเป็นช้าง ก็สู้อดกลั้นทุกขเวทนากล่าวว่านางสุภัทานั้นไม่ใช่ต้องการงานของเราทั้งสองไม่ได้ต้องการงานแต่เพราะประสงค์จะให้ท่านฆ่าเราก็เลยอธิบายฟังเลยเรื่องมันเป็นแบบนี้จึงได้กล่าวว่าแท้จริงพระนางสุภัทธาทราบดีว่างานงามเนี่ยแท้จริงเธอไม่ได้ต้องการงานนะเธอต้องการชีวิตเรา พราะงามงามงามงามสวยๆแห่งบีดาปู่ทวดของเราอ่ะมีอยู่เป็นอันมากที่เก็บไว้พระนางเนี่ยเป็นคนพาลเป็นคนอาฆาตเป็นคนโกรธเคืองผูกเวรต้องการจะฆ่าเรานี่นางเนี่ผูกจิตอาฆาตเราตั้งแต่สมัยเป็นภรรยา น, น้อยของเราเนั่นแหละเพราะเธอเป็นคนพาลคําว่าพาล่าในแปลว่างูเธอไม่ฉลาดในเหตุและผล มีเรื่องกระทบนิดนดหน่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโกรธความอาฆาตความพยาบาทนี่ไงเธอก็อาฆาตพยาบาทก็เลยตั้งอัธยาศัยแล้วก็ยอมอดข้าวตายหลังจากถวายอาหารให้กับพระปเจริญพระเจ้าห้าร้ออ่ะได้บุญเนี่ยทำให้เธอไปเกิดอย่างนี้นี่แปลว่าท่านชานฉลาดมากทั้งรู้เหตุและผลแต่ความอาฆาตความจองเวรที่ฝังไว้ในกำม ล, ลสันดาลของเธอเนี่ยมันติดแน่นทําให้เธอระลึก เป้าหมายจริงๆเธอไม่ได้ต้องการงานนะแต่ต้องการอะไรต้องการชีวิตของเราดูก่อนนายพานท่านจงลุกขึ้นเถิดเห็นไหมจับมาไป็เสร็จเห็นศัตรูแล้วไม่เคยอาฆาตศัตรูเลยท่านจงลุกขึ้นเถิดตอนนั้นน่ะนายพานโสนุดอนกราบกราบพญาช้างสั่นทั้งตัวเนะใช่ไหมสั่นทั้งตัวไหมกลัวตายไหมกลัวตายเพาโดนจับขึ้นมาไงโดนจับขึ้นมาแต่ทําไม พระรธิษัตมีเมตตาไงมีคันติไงจงบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดแล้วจงหยิบเรื่อยที่ท่านเตรียมมาตัดงาคู่นี้เถิดบัดเดียวเราจะตายเสียก่อนท่านจงกราบทูล น, นางสุพัทธาที่โผโกรธแล้ ว, ว่านะบอกว่าให้กราบทูลท้าหลังจากนั้นเบดเสร็จทีนี้ นายพานโสนุดรได้ฟังพญาช้างฉัตรทันแล้วก็ลุกขึ้นถือเรื่อยเข้ามาใกล้ๆพญาช้างฉัตรทันก็คิดว่าเราจะตัดงาคู่นี้ไปพญาช้างฉัตรทันมีความสูงประมาณแปดสิบสองยืนเด่นคล้ายกับภูเขาเงินประดุดังพวงเงินงาไ อ, ไองวงเ่งาประดุดังพวงเงินนะด้วยเหตุ น, นั้นนายพานโสนุดรจึงเอื้อมเรื่อย ไปเลื่อยงาไม่ได้ไม่ถึถงพระโพธิสัตว์ก็ย่อกายน้อมศีรษะลงมาให้น้อมมาให้นี่ไงอยากได้งาเราจะให้ขนาดนั้นนายพานก็เหยียบงวงประดุดดังพวงเงินของพระโพธิสัตว์นั่นแหละขึ้นไปอยู่บนกระพองเหยียบผลขึ้นไปเลยอย่าลืมนะนายพานโสโน ด, ดอนเนี่ยมีกำลังเท่ากับช้างห้าเชือก มีพลังขนาดนั้นนะเป็นคนร่างกายกำยำมากแข็งแรงมากเหยียบขึ้นไปประดุดดังยืนอยู่บนเขาไกลลาดเนะี่ยความเด่นความงามของพยาช้างฉัาดทันโพธิสัตว์เป็นอย่างนั้นเขาก็กระตุ้นเนื้อซึ่งย้อยอยู่ที่ปากนั้นเนี่ใช้หกใช้เขา่ากระแทกเนื้อจะย้อยมาตรงตรงตรงตร ง, ตรงงาใช่ไหมจะปิดงาจะต้องการจะเลื่อยให้มิดโคนเนะ่ะ ก็ใช้หัวเข่ากระแทกเข้าไปกระทุงเข้าไปแรงๆยัดเนื้อเข้าไปในปากช้างพระบูริษัตถท่านโกรธไหมท่านไม่โกรธเพราะท่านให้ไงท่านให้เอาเข่ากระทุงเนื้อยัดเข้าข้างในลงจากกระพองแล้วก็สอดเลื่อยเข้าไปภายในปากนายพานเอามือทั้งสองนะ่ยชักเลื่อยเนะีชักขึ้นชักลง อย่างรรมัดทแมงดึงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเดือชักอย่างแข็งแรงมากอ่ะทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัต์เป็นกําลังไหมป่าก็เต็มไปด้วยเลือดโลหิตก็ไหลนายพานก็เลื่อยเลือเล่อยเื่โดยไม่ปาณีปาสายเพราจิตใจโหดเยมมี่ยมไหมจิตใจโหดเยี่ยมอยู่แล้วทําแบบไม่ปาณีปาสายอ่ะกระชากระชากระ ช, ชากเลือดก็ไหลอาบทีนี้ พอเลื่อยไปเลื่อยมาไม่สามารถจะเลื่อยตัดงาให้ขาดได้หมดแรงหมดแรงงาใหญ่มากเอออันจะมาไปถวายงาช้างที่แรกอันมานี่ว่าเล็กๆนะช้างเชือกเนี่ยเออตายแล้วก็ยอมเขาจะถวายใช่ไหมอันมาก็นึกว่าเอ้องานอายุเป็นร้อยปีแลหร้อยกว่าปีแล้วเขาเก็บไว้ร้อยกว่าปีแล้วนะหลายชั่ย เ, เป็นสองสามชั่คนมาแล้ว ยอมเขาต้องการจะไปถวายที่เ อ, อหลวงพ่อโสธรให้อามาเนี่ยนิโมนเอามาไปบรรยายที่นั่นแล้วก็ไปไปกล่าวคําถวายเอามาก็าไปคนก็ไปกันเยอะหมดอู้หูงานนี่ใหญ่จริงๆยอมออขนาดเออขาใหญ่กว่าขายมอ่ะอันนี้เรื่องจริงใหญ่มากงานช้างสมัยโบราณใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่กว่าขายอมอีงานช้างอะยาวเป็นว า, วากว่านะ งา a ช้างเนี่ยแล้วพญา n ของพญาช้างจะอมานึกทีไรมายังขนลุกเลยเนี่ยนึกก็ขนลุกนะที่ในพานโสนุ ด, ดอตัดตั ด, ตดงา a ของพญาช้างฉัตรทันเนี่ยนึกก็โหไม่ใช่เล็กๆเลยเนี่ยก็ขนาดไอ้พญาช้างฉัตรทันเนี่ยนะสูงตั้งแปดสิบสองแล้ง nga จะขนาดไหนอะ่ะแล้วคนมีกําลังขนาดนั้นตัดตัดแตด่แล้งหมดแรงไปดูก็หมดแรงทีนี้ พระโพธิสัตว์ก็ถามว่าในขณะนั้นพระโพธิสัตว์นี่นะพระยาช้างฉาดทันก็บ้วนโลหิตออกจากปากบ้วนบ้วนเลือดออกจากปากสู้อดทนทุกเวทนาก็ถามนายพานว่าสหายเอยสหายเอยท่านไม่สามารถจะตัดงายขาดได้แล้วหรือถามอย่างนี้นะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ มีใครทบเราโตมโตมที่ต้องการจะฆ่าเราให้ตายแล้วเขาเกิดหมดแรงเนี่ยเรายังมีใจใจิตใ จ, ใ จ, ใจที่จะถามเขาสหายเอ้ย <univers> um. ท่านหมดแรงยิ่งจะมีมีมีมีมมมม vic, จิตใจจะถามกันไหมนี่อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดมากนะใจต้องใจต้องน้อมแรงมากนะในพานสดดนุดรก็ตอบว่าใช่แล้วนายว่าใช่แล้วพระโพธิสัตว์ดํารงสติตั้งมั่นกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจง ใช้บ่าแบกงวงของเราขึ้นให้จับไว้ที่เลื่อยข้างบนจับไว้ขึ้นเลื่อยข้างบนเราเองไม่ไม่มีกำลังจะยกงวงของเราได้แล้วแปลว่าท่านท่านใกล้จะสิ้นลมแล้วนายพรานก็ปฏิบัติตามเช่นนั้นพระโพธิสัตว์ก็เอางวงยึดถือเลื่อยไว้แล้วก็กระชากดึงกระชากกระชาก งา a ก็ขาดประดุดตัดต่อไม้อยู่ที่นั้นพญาช้างก็ให้ในพานนํางานั้นมาถือไว้แล้วกล่าวว่าสหายเออยเราให้งาเหล่านี้แก่ท่านใช่ว่าเราจะไม่รักงา a ของเราก็หาไม่อย่าลืมนะฟังคาพูดของท่านไว้นะใช่ว่าเราจะไม่รักงา a ใช่ว่าเราจะไม่รักอวัยวะทุกส่วนของเราอวัยวะทุกส่วนของเรานะ่ตั้งแต่ขนตั้งแต่ตาตั้งแต่หูตั้งแต่งวงตั้งแต่ง า, าแม้กระทั่งถึงชีวิตเรารักมากไม่ใช่ไม่รักแต่ทำไมเราจึงให้และเราให้นี้เราไม่ได้ปรารถนาเป็นมนุษย์เราไม่ได้ปรารถนาเป็นเท้าส ก, กาัดเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพรม เราไม่ปรารถนาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ใดๆเลยแต่เพราะงาของเราคือพระสัพพัญญตยานงาของเราคือสัพพัญญตยานสิ่งที่เราปรารถนาคือสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งที่เราปรารถนาคือการเป็นพุทธเจ้าเรารักงวงเรารักงาคู่นี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าไม่ใช่ไม่รัก แต่สัพพัญญตยานเรารักยิ่งกว่าขอบุญนี้ที่เราได้สละงานนี้เป็นทานกุศลที่ยิ่งใหญ่จงเป็นปัจจัยแก่การได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณขอบุญนี้ที่เราสละไม่ใช่งานนะสละอัตภาพและชีวิตเนี่ยจงเป็นปัจจัยแก่การบรรลุสัพพัญญตยานแล้วก็มอบงานทนไปแล้วก็ถามแต่ว่าสหายเอยว่าท่านจะมาท่านมาถึงที่นี่ท่านใช้เวลาเท่าไหร่ เจ็ดปีเจ็ดเดือนกับอีกเจดวันนายานตอบก็กล่าวเชิญไปเถิดด้วยอนุภาพบุญของเราด้วยอนุภาพแห่งอาคู่นี้ท่านจะถึงกรุงพรราศีภายในเจ็ดวันเท่านั้นแล้วก็บอกว่าแล้วก็ทำการป้องกันในายานโดยการอธิษฐานว่าเราเป็นผู้ถูกลูกศรเสียบแทงแล้วแม้จะถูกทุกขเวทนาครอบงํา ก็ไม่คิดประทุษร้ายบุคคลผู้ห่มผ้ากาสาวพัดในพานผ้ากาสาวพัดถ่มถ้าข้อนี้เป็นความจริงอันเราผู้เป็นพญาช้างตั้งไว้ขอพานมรคษคะในภัยสนอย่าได้มากล้ำกลายในพานี้เลยก็คือว่าขออุปสรรคอันตรายต่างๆเนี่ยอย่าได้รอย่าได้ร่วงเกินกระแสชีวิตของนายพานผู้นี้เลยขอให้ไปถึงกรุงพระณสีด้วยความปลอดภัยเถิด เห็นนี่ยังเห็นความยิ่งใหญ่ของของพระโพธิสัต์เนี่ยเห็นไหมครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ส่งนายพานไปแล้วก็ทำการกิริยาล้มลงล้มลงทันทีสิ้นใจแล้วทีนี้ตอนนั้นนะพระนางนางมหาสุภัทธาซึ่งเป็นช้างนี่นะยังมาไม่ถึงด้วย ต่อมานายพานก็จับงานแล้วก็ลุกไปก็รีบถือแล้วก็หลีกไปพอนายพานหลีกไปแล้วเนี่ยพวกพญาช้างเออพวกนางนางช้างเนี่ยนางเออมหาสุภัททาก็ดีพวกบรรดาช้างบริวารพากันมาโอ้โหพอมาเห็นแล้วบรรดาช้างบริวารโกรธมากนะวิ่งเหยียบเหยียบป่าราบหมลยเอมเขาโกรธมากโกรธมาก แต่ด้วยอนุภาพของพระโพธิสัตว์อันทิษฐานในโยมไปเรียบร้อยแล้วในพานปลอดภัยไว้แล้วนี่ไงปลอดภัยเรียบร้อยแล้วร้องไห้ในพานช้างร้องไห้กันเป็นแถวไปแนแนวนะเบ็ดเสร็จต่อมาก็ไปนิมนต์พระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพเะพระพระพระพระพระพระพระพะก็ใช้งาระพระพร ใช้งานเข้ามาประคองพระโพธิสัตว์พอพระพระปัจเจยพระเ จ, เจ้าห้าร้อยมาเรียงแถวเป็นก็เหมือนอุ้มมายอมอุ้มน่ยนะต้องใช้ช้างหนุ่มมีกําลังเนี่ยอุ้มสองก็หันหน้าหันหน้าพญาช้างจะทันไปทางพระโพธิสัตว์เออทางพระปัจเจยพระุทธเจ้าแล้วก็ทําความเคารพใช้สรีระท่านที่ตายไปแล้วเนี่ยกราบกราบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็ ตั้งไว้ที่เชิงตะกรต่างๆก็ทำชาวปนกิจทำชาวปนกิจแล้วก็ายพอเรสเร็จสาบร้อยเบียดเสร็จไฟนายพานนั้นนะ่ะนำงาทั้งคู่ของพระยาโคชสารนั้นอันดูดมนะงดงามนะไม่มีงาอื่นที่จะเปรียบได้ในประดภีนะ มีรัศมีสีทองสว่างสวายไปทั่วภัยสนมาถึงพระนครกาสีแล้วก็น้อม ง, งาคู่นั้นไปถวายนางสุพัทธาแล้วก็ทูลว่าทูลตาม ท, ที่ช้างบอกนะบอกว่าพญาช้างล้มแล้วพญาช้างล้มแล้วขอเชิญพระนางทอดพระเนตรงางามคู่นี้เถิดพนางสุพัทธาผู้เป็นคนพาล น, น่ยขั้นทอดพระเนตรเห็นงาทั้งสองของพญาช้าง เขาจะสารนนุดมซึ่งเป็นปียาพัสดาเป็นสามีที่เองรักมากรักมากในชาติก่อนเี็นเบสเซนหัวใจแตกล้มพบสวรรค น, นที่วงคตตายเห็นไหมกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณยากไหมครูยากไหมฉะนั้น การที่เราจะตั้งศรัทธาไว้ในตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยควรตั้งจริงจังหรือไม่จริงจังควรจริงจังไม่ใช่ทำเล่นเล่นการได้มาซึ่งสัพพัญญุตยานไม่ใช่ของเล่นเห็นไหมเขาบอกอะไรเนี่ยอบรมอะไรในงานอะไรเนี่ยอ่านที่ฉลองอะไรฉลองอะไร เออท่องไว้ท่องไว้ในใจอย่าท่องออกมาข้างนอกเอาไปทับไว้ในใจแล้วท่องไว้มันขึ้นใจว่าเราจะเป็นคนดีนะตามรอยพระศ า, าสดาแล้วจะเอาหัวข้อคือศิกขาสามนี่แหละมาฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองตั้งมั่นในตถาคตโพธิสัตย์ให้แข็งแรงว่ากว่าจะได้มาซึ่งสัพพัญญุตยานไม่ใช่ของเล่น เป็นของที่ยิ่งใหญ่นะันก็ตั้งอธยาใสาไว้เอาละ ว, วันนี้ก็สมควรแก่วเวลาแล้วนะก็มทนากากุศลที่เราตั้งใจแล้วก็ไปท่องหัวข้อยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชัดนะกว่าจะได้มาซึ่งพระสัพพัญญุตญาณแล้วมาครั้งนี้เราได้มีโอกาสมาอบรมมาประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาป菩าสดาแล้ว เราจะทําให้ดีเราจะตั้งใจเราจะมุ่งมั่นเราจะไม่ใช่ปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าเฉพาะช่วงอบรมนี้เท่านั้นเราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดาตลอดการและตลอดไปตราบใดลมหายใจย er, ังมีอยู่พระเจ้าจะต้องทําจนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยจะปวกขัดขาดก่าวประพฤติปฏิบัติก็ตั้งหั้าทยาสัยนั่นตั้งใจปนมมือกราบพระพุทธเจ้าว่วาขอพรกันอรหังสมา